และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิน้น Nation Entertainment ภูมิใจเสนอละครชีวิตที่ให้สาระความหวังและกำลังใจรักอภัยนี่เป็นอะไรกันนะฮะ อะไรขึ้นเหรอดอกก็ยิ้งนะสิขาท่านขาเขาพยายามจะปลูกปล้าดานี่ค่ ะ, มค ะ, ะผมปล่าทอย่างงั้นนะฮะ <c oughs> คุณจัสุดาใส่ร้ายผมครับท่าน <c oughs> ดูสิคะท่านขาเยี่ยเขาพยายามรวนลามดาจนเทาสองคนเนี่ยกริ้งเกตะกลักล้วยอยู่บนเตียงนอนอยังไม่ยอมรับอีกเนี่ยเสื้อของดาก็หลดดุดรุ่ยด้วยคะ่ะเออดาไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมอะ่ะ ยิ่งก็ไม่ยอมฟังเสียงดาเลยได้ยกมือไหว้ขอร้องเขากอไม่ฟังอะไรทั้งนั้นจะปลุกปล้ำดาให้ได้คะท่านข้ายิ่งแต่ทากับเมียฉันได้ยังไงฮะผมไม่ไร้ทำเลยครับท่านคุณจางสุดาเธอนี่เธอเธอแกจะใส่ร้ายฉันเผาว่าฉันเข้ามาในห้องนอนของแกแล้วก็ทอดสะพานให้แกใช่ไหมแกต้องการจะฟ้องกันอย่างนั้นใช่ไหม ก็คุณเข้ปในห้องนอนผมเองนี่นะก็ฉันยกน้ำซ่อมให้แกตั้งหากล่ะฉันอยากจะเอาใจลูกหลานของท่านเห็นว่าเป็นคนในครอบครัวก็อยากใช้สนิทสนมกันมีหนึ่งเลยนะว่าแก่จะกล้าทำมับฉันขนาดนี้แกนั่นมันเนรคนผู้มีพระคุณชัดๆเลยเนะคนผมหปล่านะครับท่านแกไม่ต้องกล้าตัวแกไม่ใช่ลูกชายเนี่ยนะผมแกทําอะไรลงไปเนี่ยแกต้องกล้ายอมรับสิยิ่งไอ้เนรคนท่าน ท่าเห็นผมไปยิงนั้ไปแล้วล่ะครับนี่ยก็ฉันเห็นกับตาของฉันอย่างนี้แล้วแกจะใช้เข้าใจว่ายังไงฮะแต่ว่าท่านครับท่านค่ะแจ้งตำรวจล่าคอมันเข้าคุกเลยค่ะอืมฉันจะโทรไปแจ้งตำรวจมาล่าคอแกเดี๋ยวนี้แหละต่โทรเองก็ท่านคะติดคูกขัวตโตแน่ๆเลยแกไอ้ยิงสัก์ไอ้คนนี้แหละคุณไอ้คนมีรักดีไอ้ลูกเสือลูกแต่แค่ชัดๆเลยแกฮเราวิ่งขึ้นมาทันได้ยินทุกอย่าง นี่มันอะไรกันน่ะอย่างคุณยิ่งน่นเหรอจะกล้าปลุกปล้ํา่คุณเธอน่ะมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดคุณเธอต่างหากที่พยายามปลุกปล้ํำคุณยิ่งแต่พอไม่สําเร็จแล้วเพอนท่านกลับเข้ามาเห็นพอดีคุณเธอก็เลยเสแสร้งแกล้งเล่นละครตกตาท่านแล้วใส่ร้ายคุณยิ่งยกใหญ่เลยตายแล้วนี่ถึงโรงพักเลยเหรอคุณยิ่งไม่ต้องติดคุกหัวโตเหรอเพิ่งรับปริญญามาหม็ดมาแท้เชียว แบบนี้ก็หมดอนาคตมะสิท้อคุณยิ่งขงองแจ๋วมีหน้าเลย ส <Hello. S 2> วัสดีครับโรงพักใช่ไหมคะครับรอเดี๋ยวนะคะท่านขอคุยด้วยท่านไหนครับพนตํารวจเอกชัยพี่ชัยฤทธนรงค์ค่ะอ๋อนี่โทรมาจากบ้านท่านเหรอครับใช่ฉันจันสุดาเมียทันยาของท่านเละคะ่ะขอบคุณที่ให้เกียรติผมนะครับคุณจันสุดารอเดี๋ยวนะคะครับผมท่านขานี่ค่ะหูโทรศัพท์ค่ะตํารวจน่าอยู่ในสายแล้วนะคะฮัลโหลท่านเหรอครับ อ้าผู้กองเองเหรอครับมีอะไรกันเลยครับนายมาจับไอ้เนรคุณคนไปเข้าห้องขังทีสิใครครับท่านจะใครซิกล่ะก็ไอ้ยิ่งนะ่ะไอ้เนรคุณคนชัดๆอะไรนีครับท่านนายยิ่งน่ะเหรอครับท่านเนรคุณคนนะ่ะอืมนายรีบมาจับมันไปเลยฉันเสด็จหูมันออกไปจากที่นี่แล้วแล้วฉันก็ต้องการให้มันติดคุกเพื่อใช้กรรมที่มันก่อไว้ด้วยเดี๋ยวเดียวท่านครับใจเย็นๆนะครับท่านมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องถาม นายมาจับมันหรือยวนยก็รู้เรื่องเองก็ได้ครับผมจะไปบ้านท่านเดี๋ยวนี้ครับเร็วๆแล้วฉันไม่อยากเห็นนายในระคุณคนครับผมสวัสดีครับท่านอืมสวัส ด, ดีเออท่านครับนี่โปรดเถอนะครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับท่านนะครับแกไม่ต้องมาบีบ <c oughs> น้ําตาเรียกร้องความสงสารจากฉันไอ้ยิ่งเสียแรงฉันอุตส่าห์ไว้วางใจแกชุบเลี้ยงแกมาส่งเสียแกเรียนจนจบปริญญาแต่แกกลับทํากับฉันขนาดนี้ ก็ยังมีความเป็นคนอยู่อีกหรือเปล่าไอ้ยิ่งฮะผมไม่ได้ทำนะครับท่านพระเจ้าทรงรู้ดีครับแกไม่ต้องมาแก้ตัวท่นครับดิโปรดเถอะครับไปพ้นขวาูขวางตานักแกนะ่ะไปไว้ยท่านอะไรนะเจ้าแกอุทาเสียงลงทำไมคะเอ อ, อฉันเปล่าคะ่ะเปล่าอะไรมไ ม, ไม่มีอะไรคะ่ะท่านขะเราออกไปจากห้องนี้กันเถอดดาค่ะท่าน ดีสมดำหน้าอยากเล่นตัวดีนักมันต้องแกล้งให้สาสมนี้แหละจิตดีที่จำเราได้ขึ้นใจไปอยู่ไหนก็จะได้เห็นหน้าเรานั้นลอยเด่นอย่ังไงล่ะแกติดทีกหัวโตแน่ไอ้ยิ่งเหมือนใส่นักเชะเป็นผู้ชายแท้แต่กลับเล่นตัวสลึเกินเราลูกสาเห็นใจจะมอบความสุขให้ก็ไม่ยอมรับไปติดคุกสะไปโถเอ้ย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 รู้ชีวิตไม่ได้โหดรายรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไรที่ยังหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมใจวาดไว้แต่สุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาด เ ธ, เธอคนที่เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตที่ค่าได้เธอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเมือนได้รับความความจากฟ้่งเธอล่อมาให้หัวใจ อาจเป็นฝนที่หนาวเหน็บฉันก็ยอมเสียงเพียงได้เจอรักแท้จะนเน็บหนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปียงฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคน ให้ฉันรเยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากมีรักจริงๆสักทีไม่ว่ารายว่าดีฉันพร้อมและด้วยใจเพราะว่าหมดทั้งตัวและใจ To die. เไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจ บ n y ทีเธอ คือ n วามลคาใหญ่งได้อยู่สมเพราะเธอสวยงามที่ใจะรัันมันคือความอัศจรรย์เหลือเกินบางคราวเธอคงอล ที่เธอกำลมองคเป็นเธอที่สอนไวมันทำให้เธอยิ่งสวยงามมันทให้ฉันยิ่งรักเธอตรงที่เธอเป็นเธออย่างที่ฉันเห็นความาสิ่งที่ซออยู่เธอ มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจแสรับฉันมันคือความอัศจรรย์งใจและรัได้ตาเธอคือของขวัญล้ำค่ายิ่งใหญ่ เลือกัน Oh Oh Oh สำรับฉันมันคือความอาศจรันที่พบเธอคุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment จะไม่เป็นไรหรอกแจวพระเจ้าทรงต้องการทดสอบเรียนชีวิตอีกบทหนึ่งให้กับฉันนะนะติดคุกเป็นชิ้นเรื่องใหญ่แล้รหรอกฉันไม่ได้ทําผิดเดี๋ยวก็ต้องปล่อยฉันออกมาเองนั่นแหละยิ่งฉันสิแจวเราต้องมีความศรัทธาในพระเจ้าจงทําแต่ความดีแล้วพระเจ้าก็จะดนบันดาลสิ่งดีๆให้กับเราให้กับชีวิตของเราคุอได้อ่านมาหรือยังอะ่ะคำพีที่คุณยิ่งให้แจวนั่นหรอคะอืมใช่ อ่านบ้างแล้วค่ะแล้วรู้อะไรดีๆบ้างหรือยังก็พอรู้แล้วค่ะพระเจ้าทรงสอนให้คําดีพูดดีเชื่อมั่นในความดีแล้ววันหนึ่งความดีที่เราสะสมมานั้นพระเจ้าก็จะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเองนั่นแหละค่ะคุณยิ่งว่าจะร้องไห้ทําไมอะฮะก็คุณยิ่งไม่ผิดนี่คะทําไมท่านจะต้องเชื่อฟังคุณจันทสุดาด้วยละคะ ท่านน่ะด่าคุณยิ่งสาเสียเทเสียเลยล่ะคะ่ะคิดแล้วกโดสงสารคุณยิ่งไม่ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกท่านเป็นผู้มีพระคุณของฉันนะท่านว่าก็เสมือนท่านสอนฉันนั่นแหละท่านหวังดีกับฉันนะแจวหวังดีเหรอคะหวังดียังไงล่ะคะก็ท่านสอนให้รู้จักอดกลั้นอดทนเข้มแข็งแล้วก็กล้าเดินไปข้างหน้าต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีท่าน คอยกระหนุดแล้วก็ตามโธคุณยิง่งไม่ได้แล้วนะคะคุณยิ่งไม่ได้แล้วหรอป้า มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะป้าจะขึ้นไปอธิบายท่านเข้าใจค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกป้าทําไมจะไม่มีคะป้าพูดเชื่อว่าท่านจะต้องเชื่อฟังมั่งล่ะค่ะอย่าเลยป้าให้ผมไปตามกรรมผมดีกว่ากรรมอะไรคะคุณยิ่งก็คุณยิ่งไม่ได้ทําอะไรคุณจันทร์สุดาสิบุ ก, กเข้าไปในห้องนอนของคุณยิ่งแทๆ้ๆแล้วทําอะไรต่อไม่อะไรแล้วป้าก็มั่นใจค่ะว่าคุณเธอน่ะปกป้องคุณยิ่ง คุณยิ่งไม่มีวนัน ป, ปลุกปั้มเธอเด็ดขาดป้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วเหรอก็ก็คือว่าก็เปล่าใช่ไหมในเมื่อป้ามาอยู่ในเหตุการณ์คำพูดของป้าจะมีน้ําหนักได้ยังไงอ่ะแต่ว่าคุณยิ่งจะยอมติดคุกฟรีๆเหรอคะได้การสัมผัสในคุกกดีเหมือนกันนะป้าผมจะได้รู้ว่าวิธีชีวิตของผู้นักโทษในเรือนจำนั่นนะ่ะมันเป็นยังไงถูกเอ้ยคุณยิ่ง ไปยิ่งครับผู้กองคุณยิ้งคะไม่ไปไม่ได้หรอคะผู้กองคะปล่อยคุณยิ่งไม่ได้หรอกคะไม่ได้หรอกป้าผมต้องทําตามคําสั่งของท่านนะครับแต่ป้าเป็นพยานได้นะคะผู้กองป้ามั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะว่าคุณยิ่งไม่ได้ทําอย่างนั้นแน่นอนคุณยิ่งไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงไม่ได้เป็นพวกมักมากในเรื่องอย่างว่าแล้วจะทําอย่างงั้นกับกุญชุดาได้ยังไงคะผู้กองลองคิดดูให้ดีๆสิค่ะผมรู้ครับป้า ผู้กองรู้เหรอคะใช่ก็นี่เมื่อผู้กองรู้ทะเวงจับคุณยิ่งไปแล้วผมไม่ได้จับแต่อยากจะให้คุณยิ่งนะไปใช้ชีวิตที่อื่นสักพักหนึ่งให้เรื่องราวที่นี่มันซา ล, ลงไปซะก่อนนะครับป้าแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงต่อไปอ๋ออย่างนั้นเหรอครับผู้กองอืแต่เจ้าไม่เชื่อคะ่ะลองท่านสั่งให้ผู้กองทําแล้วก็ผู้กองจะกล้าขัดคําสั่งของท่านเหรอคะคุณยิ่งของเจ้า เจ๊ะรักคุณยิ่งนะคะแล้วเจ๊ะจะมีโอกาสได้เจอคุณยิ่งอีกหรือเปล่าคะอตอนนี้เจอสีแจ๊ะชัไม่ได้เป็นอะไรหรอกชัไม่ได้ทำผิดนี่เขาไปอยู่ในคุกนะเดี๋ยวพวกกองปล่อยชันมาเองนั่นแหละจะร้องไห้เสียใจไปเลยนะอ่ะฉันต้องไปแล้วละ่ะไปให้ยิ่งรอพวกกองคุณยิ่งคุณยิ่งของเจว๊วของป้า ได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปรษณียบัตรโดยจดหมายมาหาเราได้ที่ตูปนอสิเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 5,000 0ทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ